ดูความพิสุนทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละทุกขัสมุทัยอริยสัจนี้เราละได้เสร็จแล้วเนี่ยนะละเสร็จแล้วเนี่ยนะเบื้องต้นละด้วยตทางค่าปะหารวิขำปนาปะหารละด้วยสมถะและวิปัสนา ความเคียงคู่กันควบคู่กันแห่งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นสมุดเชทปปหาแห่งคืออารยมรักเ น, นี่ยนะเรียกว่าสมุดเชทปหาเนี่ยก็ได้ทํากิจละได้อย่างแท้จริงมันละเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่จะละเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะก็ต้องละด้วยโสดาปติมรักละด้วยสกทาคามิมรักละด้วยอนาคามิมรักและก็ละด้วยอรหัตตมรักในชั้นต้นเนี่ยนะสมุทัยทั้งหลายต้องละด้วยสมถะและวิปัสสนากร สมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะประชุมกันได้สี่ครั้งก็ทำกิจละได้แล้วเนี่ยผู้ที่กำลังละอยู่ผู้ที่กำลังละสมุทัยด้วยสมถาวิปัสนาอยู่เรียกว่าเป็นพระเศกขผู้ที่ละสมุทัยได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าเป็นพระอเสกขาเพราะสิกขาสามเนี่ยนะอธิศีละสิกขาที่จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อการละสมุทัยอธิศีเป็น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 อ่ะนะรอบรู้จริงๆรอ่ะนะรอบรู้ในเรียกว่ารอบรู้ด้วยอำนาจปริญญาอย่างดีเยี่ยมเลยก็ไม่รู้จะมีเยื่อใยอะไรกับสิ่งใดอีกเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับเอาใครเคยเรียเอากระสอบผุผุมาบ้างกระสอบผุผุแล้วก็มาดึงเส้นใยดึงเส้นไหนมีกัมีแต่ใบผุดึงไปจนหมดแล้วมันก็มีแต่กองขยะกองอยู่เท่านั้นถามว่าจะเอาไปใส่ไปแกะใส่ของใส่อะไรอีกต่อไปไหม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 ไม่เคยรอบรู้แล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะตัดฉันตราค่าอะไรมันจะโผมันจะเปื่อยมันจะเน่าก็ดูแลมันไปเนี่ยนะอันนั้นก็ทํายังไงได้มันของเราขว่างกันนะนะยังของเราอีกนะขนาดมันเลวร้ายโหดร้ายขนาดนั้น่ะของเราของเราโอ้ยโทษของวัตตะก็ของเร า, ถ, ะะเราถามว่าของไหนที่มันนํามาซึ่งน้ําตาสิ่งนั้นยังจะเรียกว่าของเราอีกหรือ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 นะนะใช่ไหมถ้าหากว่าไม่รู้จักพระนิพานอยากคิดนะบอกว่าทําเป็นเบื่อแกล้งเบื่อที่ไหนได้มันก็อยากนั่นแหละเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักพระนิพานเป็นที่อิ่มแท้เนี่ยนะยังไงก็พระ อ, องค์บอกว่าถ้าผู้ใดที่ยังไม่ได้สุกในพระนิพานอยากคิดนะว่าจะไม่เอาสุกในขันห้ายังไงคือสัตว์ทั้งหลายมันเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่วติดคล้องอ่ะนะอยากมีความสุขอะ่ะทีนี้ถามว่าถ้ายังคล้องในขันห้ามันก็ไม่ได้สุกจากพระนิพาน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 ภาระจริงๆนะมันวุ่นวายมันทะเลาะเบาแวงกันเรื่องมันเป็นเรื่องกับขันหานี่เลยเพราะมีขันห้าจึงมีทุกเนี่ยนะเมื่อใดนาะจะพ้นจากขันห้านี่นะพ้นจากอะไรก่อนบอว่าพ้นจากความคิดตัวนี้ก่อน น, นะนะถ้าความคิดมันอยู่กับขันห้าใช่ไหมก็ให้มันพ้นเลิกพ้นดับขันห้าดับโดยจะไฟตัวความคิดนี่เลวร้ายมากกว่าเงินเวทนาสัญญาสังขารอยู่ที่ไหนก็อยู่กับความคิดมันคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือรูป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 เห็นภัยเห็นพิษเห็นทุกข์เห็นโทษของขันห้าโดยเงียมุมต่างๆโดยประการต่างๆใจของพระองค์ก็หลีกไปหาแต่พระนิพพานแล้วก็หลีกได้สําเร็จด้วยเพราะเห็นอะไรพระองค์ก็หลีกได้สําเร็จเครียกว่ากลับใจได้ทุกเรื่องไอ้กลับใจได้ในทุกเรื่องเรียกว่าวิวัตะเรียกว่าวิวัตะก็คือกลับใจได้นะนะก็คือกลับใจจากขันห้าได้ทุกขันเนี่ยนะกลับใจได้หมดแล้วกลับใจจากใจได้ด้วยอ้า แต่เพราะไม่ได้แบกใจไปนะก็กลับใจจากใจก็ไม่ได้ถือว่าใจเพราะก็ถือว่าใจก็เป็นขันห้าอีกชนิดหนึง่งก็กลับใจจากใจก็เลยไม่มีใจใดพัวพันในใจใดเลยก็เห็นว่าใจเป็นธรรมที่ควรหลีกออกโดยส่วนเดียวก็หลีกสําเร็จถามาหลีกด้วยอะไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์นิโรธคามิหนีปฏิปทา อริยสัจกิจที่ทำดังกล่าวไปแล้วทำด้วยธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละคือเรียกว่วานิยานิกระทามธรรมที่นำออกคือพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วย อ, องค์มรรคหรือสมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาเท่านั้นแหละจึงหลีกออกได้จึงกลับได้กลับจากวัตะได้นีจึงเปลื้องได้ สมุทัยที่อะไลอาวอนในขันห้าเปรียบเหมือนหนี้หนี้ชนิดที่เรียกว่ามันพัวพันผูกพันพัวพันทั้งเรียกว่ามันไม่รู้จะพันยังไงอีกแล้วเนี่ยนะอริยมรต ก, ก็เหมือนกับอริยทรัพย์ที่มาถอนหนี้ได้เสร็จสิ้นเลยเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์อริยทรัพย์อริยมรตก็คืออริยทรัพย์นะพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยมริยมตก็คืออริยทรัพย์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะคือผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ คือพระองค์มีอริยทรัพย์คือสติประฐานสัมมาประฐานอิทิบาทอินทรียพระละโพชฌงและองค์มักพระองค์มีจ่ายพอที่จะไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉุดพระองค์ไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์จ่ายด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะเป็นคุณธรรมนําออกจากทุกเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้ยเห็นโทษในทุกเหลือเกินรู้แล้วว่าทุกขสมุทัยนี่เลวร้ายมาก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 อรอยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกขมีอารมณ์อะไรบ้างที่พระ อ, องค์เจริญมรรคแปดไม่ได้ของเรามีอะไรบ้างที่จเจริญมรรคแปดได้บ้างตรงกันข้ามเลยนะเอ๊ะเห็นอะไรแล้วมีมรรคแปดได้บ้างเนี่ยเออเ น, นี่ยเห็นเห็นสีเออสัมมาวะสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะห้ยหามยากแท้เนี่ยนะตรงกันข้ามมิจฉาทิฏฐิบ้างนะนนั้นนะถามว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันยังไง บอกว่าคุณเห็นอะไรปั๊บนึกถึงกรรมมัสกาาก่อนไหมไม่ย่ไงไงนะมีแต่คนโน้นมาหาคนนี้คนนี้จะไปหาคนโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าแล้วสัมมาทิฏฐิข้อไหนถ้าคิดอย่างนี้บรรลุนั้นบรรลุ ก, กันนานแล้วเนี่ยนะมันไม่พันสัมมาทิฏฐิมีไหมเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเจริญมรรคแปดได้กับทุกเรื่องถามว่าอารมณ์อะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งส ม, มถะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้ามีไหม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 อยู่ได้สามฤดูเนะีนะ่ยมีแต่คนดูแลที่งดงามหมดเลยว่างั้นเธอทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนามหมดอะนนถ้าพูดถึงการมาสุขถามว่าใครได้รับการบำรุงบำเรอเท่าท่านมั่งบอกไม่มีถ้าพูดถึงคนที่ทุกทุกที่สุดทุกถึงขนาดเรียกว่าโอ้เรียกว่าหายใจปั๊บเป็นลมเลยเนะี่ยนะหลบฟื้นขึ้นมาได้รูปท้องถึงหลังรูปหลังถึงท้องเนี่ยนะเรียกว่าอุจจาระเหมือนกับอะไรน ะ, มะเมล็ดอะไรมะเมล็ดดำๆแค่นั้นอนะ่ะที่ถ่ายออกมา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 ส่วนไหนบางที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่มีสุดยอดของผู้ที่ทุกข์ที่สุดเท่าที่เรียกทุกข์เนะีก็เลยเรียกว่าทุกขกรรกิริยาถ้าใครทําต่อจากนี้นิดเดียวตายก็เรียกสุดยอดของคนทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรจะทุกขขนาดนี้อีกแล้วสุขที่สุดก็บอกว่าสุขสุ ด, ส, ดสุดอยู่แล้ว อันนี้พูดแบบทั่วๆไปมันก็ไม่ใช่อีกว่าข้อปฏิบัติที่จะนาออกจากทุกพระองค์มาเลือกเฟ้นเห็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเลือกเฟ้นในสมัยนั้นที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิท่านหาได้อย่างไรเนี่ยอันนี้น่าอัศจรรย์มาก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 ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสีนี้มีรอบสารอบสมก็คืออะไรรอบสัจจญานกิจญานและกตตาญาณเนี่ยนะอริยสัจนี้มี4เนี่ยนะเพราะนั้นะสัจจยานก็คือนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคคามินีปฏิปทาเพราะ น, นั้นสัจจญาณเนี่ยนับหนึ่งรอบแล้วก็มีอาการสีอย่าง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 รอบที่1สัจจยานรอบที่สองกิจยานรอบที่3กตายานแต่ละรอบมีอาการ4อริยสัจสี่เหล่านี้มีรอบ3รอบ3คือรอบของสัจจยานกิจยานและกตายานอาการ12ก็คืออาการ12บสองก็ทุกทุกขสัตมีสามเนี่ยนะทุกทุกควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทยัยสมุทัยควรละสมุทัยเราละเสร็จแล้วนิโรธทุกข น, นิโรธ ทุกคนนิโรธควรทำให้แจ้งทุกคนิโรธเราก็ทำให้แจ้งแล้วอริยมรรคเนี่ยนะอริยมครรคควรเจริญอริยมรรคเราก็เจริญเสร็จแล้วก็เรียกว่า3าคูณ4เท่ากับ12 4คืออริยรสัจส4สก็คือรอบ3นีนะรอบสามในอริยรสัจสีก็เป็น12ถ้าปัญญาที่ทากิจอย่างนี้เนี่ยนะยังไม่หมดจดดีแปล ว, ว่ายังมองอยู่ยัง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 น, นี้ปัจเจกขณะยานเนี่ยนะว่าความพ้นวิเศษของเราเนี่ยกลับไม่กำเริบอรหัตผลของพระองค์ไม่กำเริบอีกแล้วอายะมันตินัติชาณิปุณภภวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นที่สุดเนี่ยนะถือว่าการปฏิสนธิ ท, ที่ที่เกิดในพระกันของพระนางมหามายาเนี่ยเป็นสุดแล้วจบแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ในการมาภบรูปประภรอรูปประภรไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องค้นหาพระพุทธเจ้าที่ที่ที่ไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาไม่พบแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นในกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะพันพระองค์ก็เอาธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเป็นลักษณะประโยคบอกเล่าว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเนี่ยนะพระองค์พระองค์งปฏิบัติอย่างไรก่อนพระองค์ไม่ปฏิบัติอะไรคือไม่ปฏิบัติการมัศุขคัลกานุโยคไม่ปฏิบัติ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 พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าสิ้นพบสิ้นชาแล้วเพราะทำรรกิจเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยกากรณภาสิทนี้อยูอ่ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะปราศจากทุรีดวงตาเห็นอริยสัจธรรมที่ปราศจากทุรีคือราคะเป็นต้นปราศจากมนทินคือความเศร้ามองด้วยราคะเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระอัญญาโกณัญญะดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือโสดาปฏิมัก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 เจริญปัญญานั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรพรหมจักรให้เป็นไปแล้วปวัตตาแปลว่าปวัตติเนี่ย น, นะเป็นไปแล้วเนี่ย น, นะเราภูมิเทวดาก็บรรลือเสียงเลยนะเสียงก็ดังสนั่นขึ้นมาวันนั้นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคก้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วน ะ, ป, ะป่าอิศปตนะมฤุกะทายวันเขตพระคนครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ใครๆในโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือคือ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 แต่ถ้าหากว่าอ่านทุกพยัญชนะจําได้หมดทําตามได้หมดปฏิบัติตามได้หมดแล้วดึงมาเลยว่ามันพลาด1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดแดเไล่ถือว่ามันผิดพลาดอไอ้ที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นถ้าชี้แจงได้ขนาดนั้นได้ว่ารู้จริงไหมแต่นี่ไม่มีใครแบบนั้นโดยมากก็บอกว่าไม่รู้จริงเก็บบางคําแล้วก็มั่วๆนิ่มๆไปงั้นแหละถ้าอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ก็เลยว่ า, วาธรรมจักรไม่มีใครปฏิวัติได้เนี่ย น, นะสำหรับคนที่ฟังธรรมจักเข้าใจนะ จัปฏิวัติไม่ได้แต่คนไม่เคยฟังธรรมจักแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็มันปกติมันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะหู oo, หนวกตาบอดปัญญาอ่อนอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะที่จริงอะ่ะไม่มีปัญญาหรอกอย่าว่าอ่อนเลยถ้าอ่อนมันยังพอมีอยู่บ้างอะนะคนเขาปราศจากปัญญาสิ้นดีปฏิเสธคําสอนของพระตถาคตเนี่ยนะก็บอกว่าเขามาบอกปาณานาไว้อย่างนี้บอกว่าขอให้เราอยู่กันคนละภากโลกเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าโลกกลมๆอ่ะนะเรายืนอยู่คนละข้างแล้วกันนะ เพราะโลกมันกลมอ่ะนะโลกมันกลมเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งยืนอยู่คนละข้างไม่ต้องพบไม่ต้องเห็นไม่ต้องพบปะเจอกัน เ, เนี่ยนะอวยพรให้ตัวเองทุกวันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจะได้ครบคนพานเลยเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ไม่เห็นอริยสัจนี่เขาเรียกบัณฑิตได้ไหมไม่ได้เขาเป็นคนพานแล้วคนที่เขาบอกว่าอาไม่เห็นอริยสัจเนี่ยก็ไม่ว่าละคนที่ปฏิเสธอริยสัจด้วยนี่สิมอแหมมันมหาบเลยไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วก็